มิใช่เกิดทางจิตขึ้นชื่อว่าภูตาโรจนะสิกขาบทย่อมเกิดจากสามสมุดฐานภูตาโรจนะสมุทฐานจบ